ท่านฟังที่เคารพค่ะวันนี้เป็นวันกะนะคะเป็นวันพระ15ค่มซะด้วยเดี๋ยวยังไงเราไปพบกับพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโ น, โนในช่วงเวลาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะกับโอกาสพิเศษเทศกาลเข้าพรรษาพุทธวจนะจากกระโอนและอริยสัจสี่นะคะน้ำมันส ก, การท่านคะเชิัค่ะในวันพระ<อ>นี้ก็ทางาช่วงเข้าพรรษาในวันพระ ที่วัดป่าตถนไหนโศกก็จะมีชาวบ้านที่เขาจะมารักษาศีลฟังธรรมที่วัดพัฒนาวัดมีทุกๆวันพระพูดถึงชาวพุทธเนี่ยค่ะควรจะให้ความสําคัญหรือทําตัวอย่างไรในวันพุทธขอไปกันในวันพระนะคะไม่ใช่วันพุทธค่ะในวันพระปกติเนี่ยตั้งแต่มาสมัยพุทธกาลจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บัญญัติเรื่องวันพระที่ว่ามาประชุมกันทุกเจ็ดวันอะไรอย่างเงี้ยนะ แต่ว่าเพราะว่าพระเจ้าพิมพ์พิสารเนี่ยได้มาร้องขอเนื่องจากว่าลัทธิาศาสนาอื่นๆเนี่ยเขามีการมาประชุมกันทุกๆ7วันนะให้ประชาชนได้ม า, าพบเจอทีนี้พระพิชาก็หลังจากที่ได้รับการร้องขอจากพระเจ้าพิมพิสารก็เลยบัญญัติให้มีได้ก็จึงมีวันที่พระสงฆ์จะมาประชุมกันแล้วก็มาประชุมกันแล้วทำอะไรใช่ไหมตอนแรกก็มานั่งกันนิ่งๆพระพิชา ก็เลยให้มีการแสดงธรรมนะกล่าวธรรมบ้างเช้อเชิญกันกล่าวธรรมบ้างลักษณะนี้เพราะฉะนั้นอาตมาคิดว่าเป็นการดีถ้าเราจะมาฟังธรรมซึ่งการฟังธรรมตามการคุณยมติ๋วเป็นมงคลอย่างยิ่งยิ่งได้ทุกวัน<ม>อย่างฟังรายการสันสนิสส น, นานะั้นทุกวันเลยนะดีมากๆเลยล่ะค่ะ <c oughs> คือถ้าสมมุติว่าคิดว่าเราเป็นชาวพุทธเราอยากจ ะ, ะเขาเรียกว่าอะไรนะทาให้มสมก็เป็นชาวพุทธ ก็พยายามเข้าถึงธรรมะนะคะโดยเฉพาะในวันพระจะเข้าเป็นพิเศษก็ดีเหมือนกันอะไรอย่างนั้นเป่คะใช่ช่เป็นมงคลกับตัวเองค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีไม่ได้ทําอะไรเป็นพิเศษแตกต่างจากวันอื่นวันนี้ก็มาฟังพุทโธจนะก็พอได้คะกับพระริศศีนะคะทีนี้ในเรื่องของพุทธประวัติเรายังอยู่ที่ประวัติของพระพุทธเจ้าตรงที่การคาสอน คำสอนของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวกับสาวกต่างๆเนี่ยพระองค์ก็ได้พูดถึงอยู่เหมือนกันที่บอกว่ า, าบางคนสาวกบางคนเนี่ยนะคือภิกษุบางรูปเท่านั้นที่เป็นคนของพระองคนะ์คือพวกไหนที่เป็นพวกพูดหลอกลวงพูดกระด้างพูดพล่ามยกตัวจองของใจฟุ้งเฟอ้อพวกนี้ไม่ใช่อยู่ในธรรมวินัยของพระองคนะ์แต่ถ้าพวกไหนเป็นคนที่ไม่หลอกลวงไม่พูดพร่ามมีปัญญาเครื่องรักษาตัว เป็นคนไม่กระด้างมีใจคอมั่นคงดีเนี่ยพวกนี้เป็นคนของอของพระพุทธเจ้านะเป็นคนที่จะงอกงามในธรรมอาวุธในนี้ได้คือพระที่บวชมาดีก็มีไม่ดีก็มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่บวชแล้วดีเนี่ยพระพุทธาจ้าก็รองรับรับรองว่าบุคคลพวกเนี้ยเป็นเป็นผู้ที่เราสอนจริงๆอย่างนี้นะแล้วก็ยังมีการบอกว่าในการสอนของพระองค์เนี่ยนะก็จะมีพวกที่ทําตัวไม่ดีก็มี พวกที่ทำตัวดีก็มีนะคือมีทั้งคนที่ดื้อแล้วก็คนไม่ดือ้อแล้วก็ยังบอกว่าคนที่ดื้อเนี่ยนะคุณยมติวก็จะเหมือนกับคนที่จะผุเปื่อยไปเองนะแต่คนที่ไม่ดื้อเนี่ยก็จะนคนที่จะอยู่ในในเาเรียกว่าในธรรมะวินียนี้ได้ <c oughs> แล้วก็ทรงเปรียบเทียบให้บอกให้สาวกทุกท่านเนี่ย ให้เรียกร้องพระองค์อย่างเป็นมิตรหมายความว่าเรียนคําสอนแล้วเนี่ยรู้ว่าสอนอะไรแล้วเนี่ยก็ให้ทําตามนั้นนะคือถ้าใครไม่ทําตามเนี่ยก็เรียกร้องพระศาสดาโดยความเป็นศัตรูแล้วถ้าใครทําตามเนี่ยก็เรียกร้องพระศาสดาโดยความเป็นมิตรอย่างเช่นพระพุาบอกอ่าให้เธอมีศีลใช่ไหมปรากฏว่าเราไม่มีศีลอ่าคุณเรียกร้องพระศาสดาด้วยความเป็นศัตรู <mikä S 1> นะแต่ถ้าเราบิดคนมีศีล เราปฏิบัติตามที่พระเจ้าสอนก็เรียกร้องพระศาสดาโดยความเป็นมิตรอย่างนี่ะแล้วก็ยังพูดตรงนี้คําที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆว่าพระเจ้าเนี่ยจะไม่ทำอย่างไม่ทำกับพวกเราอย่างทะนุถนอมนนเหมือนกับช่างหม่อที่ทํากับม่อที่ยังเปียกยังดิบอยู่จะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดทีนี้ในเรื่องของพุทธประวัติก็ยังมีอีกอันหนึ่งว่าคําสอนที่ สอนอยู่บ่อยๆเนี่ยก็คือสอนเรื่องของเบญจขันนันะคือขันทั้งห้าเนี่ยโดยความเป็นอนัตตาคนไหนก็ตามนะคุณยมคุณยมติวที่เรียนเรื่องความเป็นอนัตตาในขันห้าทั้งหมดเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็จะบอกว่าจะเป็นพระอาหารหันได้ง่ายไหมค่ะคือเท่ากับในชีวิตประจำวันสมมติว่าถ้าเราเพิจารารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในความไม่เที่ยงอย่างเงี้ยใช่ ก็ถือว่าเข้าขายอะไรหรือเปล่าค่ะก็คืออยู่ในมรกละอยู่ในทางละคนแบบนี้นะพระพุทธเจ้าจะพูดอยู่ในเรื่องริยศาส์บอกว่าอย่าเพิ่งตายถ้ายังไม่ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลเพราะว่าเป็นคนที่มีความสามารถนะคุณคุณติ๋วที่ว่าสามารถเห็นสิ่งรอบๆตัวเราเนี่ยโดยความเป็นของไม่เที่ยงได้มีความเห็นที่ถูกต้องมางันเถอะค่ะ ทีนี้ในเรื่องของพุทธประวัติก็ยังมีอีกบอกว่าสาวกที่เป็นสาวกของพระพุทธองค์จริงๆเนี่ยนะจะยอมเสียชีวิตแต่ถ้าต้องล่วงศีรษะบทเนี่ยจะไม่ยอมล่วงศีรษะบท เ, เปรียบเหมือนกับน้ําทะเลเนี่ยจะอยู่ที่ระดับใดระดับหนึ่งเป็นธรรมดาจะไม่ล้นไปในจะไม่ล้นจากฝั่งคือน้ําทะเลเนี่ยเราจะไม่เห็นว่ามันล้นจากฝั่งเพราะมันเต็มอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเหมือนกันกันกบพวกอริยะสาวกเนี่ย ก็จะเป็นผู้ที่ไม่ล่วงสิขาบทนะถึงแม้จะต้องเสียชีวิตก็ตามสิขาบทนี่หมายถึงอะไรคนะหมายถึงศีลของพระสงฆ์เองนี่แหละค่นะที่ ม, มีอยู่หลายๆร้อยข้อหลายๆพันข้อนี่นะนะค่ะ<ม>ท่าน็นบูลคดิฉันเพิ่งเจอคําถามแล้ะฉันคิดว่าจําเป็นที่จะต้องตอบเขาเหมือนกันนะนะคะก็ออบอกว่าเ อ, อ๊ไอ้ที่เรามานั่งพูดคุยกันถึงคําสอนของพระศาสดาเนี่ยแล้วก็ยิ่งพูดถึง เรื่องของเนี่ยต้องรักษาศีลขาบทคนก็เข้าใจไปว่าเป็นเรื่องของพระต้องรักษาศีลของพระไม่ใช่เป็นเรื่องคารวาสปุถุชนคนธรรมดาทั่วๆไปเราสอนเกินหรือเปล่าควรจะไปสอนตรงๆไปที่ประสงค์อย่างเดียวหรือเปล่าในกรณี<อ>บางกรณีอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องบอกอย่างนี้บอกว่าคําสอนพระเจ้าเนี่ยมีอยู่2วิสัยไงถ้า ค, คือคําสอนเนี่ยมีทุกแบบใช่ไหมบางทีก็สอนให้คุณต้องกระยันธรรมะหากิน นะอย่ากโกงเขาพูดจาดีๆกันอีกระย ะ, <ค>ะหนึ่งก็สอนบอกว่าอา้าวให้หลีกเลนอย่ายุ่งกันนะให้ไปอยู่ป่าอยู่คนไม้เอ๊ะแล้วอะไรกันแน่ใช่ไหมค่ะและทนี้เราก็ต้องมาดูว่าคือคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยมี2วิสัยในพะระพุทธเจ้าเคยพูดถึงความเพียรที่เป็นหลักเป็นประธานมีอยู่2 อ, อย่างอย่างแรกเนี่ยคือสําหรับกรวาสที่ต้องเพียรทำมาหากินหาปัจจัย4ี่พวกนี้ทําได้ยากพ <คะ S 1> ระพุทธเจ้าก็จะสอนบุคคลพวกนี้ด้วยในขณะเดียวกัน <คะ S 1> <อ>ก็จะมีวิสัยที่2คือวิสัยสําหรับสมณะ สำหรับพระเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะมาพูดคําสอนพระเจ้าให้ครบทวนกระบวนความเนี่ยก็จะต้องพูดถึง2วิสัยอย่างเงี้ยถึงจะถูกเท่ากับว่าในขณะที่ท่านได้นำเอาคําสอนของภศาษศาสรามาสอนเนี่ยแล้วบางครั้งเนี่ยผู้ฟังมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของพระเนี่ยมันจะมีแยกขาดกันเลยไหมคะว่าอันนี้เรื่องปุถุชนอันนี้เรื่องของคนบวชก็จะมีแยกขาดกันแค่ระดับของศีล น, นิดนิดน่อยหน่อ ย, อยบางข้อ <น>ะจะไม่ไม่ใช่ทุกข้อด้วยซ้ําแล้วก็ศีลหลายๆข้ออย่างสําหรับฆราวาสก็จะเหมือนกับพระหรือของพระก็จะไปเหมือนกับของฆรวาสอย่างเช่นเรื่องไม่ดื่มสุราอย่างเงี้ยนะเหมือนกัน อ, อย่างเช่นเรื่องการไม่เสพเมทูลน์ของพระก็จะมีเพิ่มขึ้นมาหมายความว่าถ้าสมมุติคําสอนทั่วๆไปที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของศีลแล้วใช้ร่วมกันพูดอย่างนั้นก็ได้ใช้ร่วมกันได้คือไปในแนวทางเดียวกันนะ่ะ อย่างเช่น oh. พระบุญชาบอกว่าให้สมบรูมอินทรีอ๋อคุณเป็นคารวะคุณก็ต้องสมบรูมอินทรีย์เป็นพระก็ต้องสมบรูมอินทรีย์ยิ่งมากขึ้นด้วยอย่างงี้น ะ, ะเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงเรื่องว่ารักษาศีขาบทก็ต้องบอกว่าศีขาบทใครสศีขาบทนี่คือข้อปฏิบัติความเป็นธรรมดาของคารวะคุณต้องมีอยู่ห<ะ>้าอย่างนะความธรรมดาของคนประพฤติพรหมจรรย์ที่ยังเป็นคารวะคุณต้องมีแปดอย่างความาเป็นปกติธรรมดาของสมณะเอ่อก็ต้องมีเป็นหลายๆหลายยข้อนั่นไป ก็อยู่ที่คนฟังเป็นใครถ้าคนฟังเป็นพระคุณก็ต้องเอาสีขาบทของตัวเองมาพูดถึงถ้าคนฟังเป็นครว่าต์คุณก็ต้องเอาสีขาบทตัวเองมาพูดถึงเพราะฉะนั้นถ้าอริยสาวกคุพยมติวที่เขาเป็นโจดาบันอย่างนี้ยแต่เป็นครว่าต์นะเขาจะไม่ยอมฆ่าสัตว์จะไม่ยอมลักทรัพย์จะไม่ยอมเบื่อเบืปิดในกาแม่ต้องเสียชีวิตเพราะเขาจะไม่ยอมล่วงสีขาบทแม่ต้องเสียชีวิตอย่างนี้นะะ ครับแมท่านพูดอย่างนี้ดิฉันต้องถามต่อเลย uh huh. ว่าท่านพูดเหมือนกับว่าไม่ยอมที่จะผิดศีลถูกไหมคะถือว่าเป็นโซดาบันแต่ถ้าหากว่าจิตเขาเนี่ยเขามีความตั้งใจไม่ยอมแต่มันพลาดพลั้งไปบ้างอ๋อมันไม่ได้เจตนานี่อ่าคือศีลนี่ระบุบระบุไว้ชัดเจนว่าเจตนาเป็นเครื่องเว้นเพราะเขาเจตนาจะเว้นแต่ว่ามันมีสัตว์ตายเกิดขึ้นมีอะไรตายเกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่เป็นการเจตนาถูกไหมค่ะอ่า<ๆ>โอเคนี่คือเรื่องของอพุทธประวัติ ส่วนในอริยสัจ ส, สี่ เ, เมื่อสุดาที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของตัณหาไปส่วนใหญ่ละคือตัณหา3อย่างเนี่ยเราพูดไปแล้วการมาตัณหาคือความอยากในการใช่ไหมความอยา ก, ยากมีอยากเป็นนี่อย่างที่2ความอยากที่จะไม่มีไม่เป็นอย่างที่3เราพูดไปแล้ว3อย่างนี้ก็คือครบเรื่องตัณหาละทีนี้มันก็จะมีตัณหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทิฏฐิอยู่คือในพระสูตรที่พูดถึงมหาสติปัฏฐานสูตร ที่ว่าจะมีบุคคลเนี่ยสามารถละตันหาและทิฏิได้เมื่อไหร่ก็จะสามารถพ้นทุกข์ได้ใช่ไหมแล้วพุทธเจ้าก็พูดถึงตันหาที่เกี่ยวข้องกับทิฏฐิคือความเห็นเนี่ยมีอยู่หลายจุดก็เลยต้องเอาเรื่องนี้มาพูดกันนิดหนึ่งเพื่อจะได้เข้าใจเรื่องของตันหานนคือเหตุของทุกข์เนี่ยได้อย่างชัดเจนทีนี้เจ้าทิฏฐิทั้งหลายที่เราคุ้นเคยกันอาจจะเคยไดีดมาบ้างทิฏฐิหกสิบสอใช่ไหมทิฏฐิ62คือพรพุทธเจ้าเคยพูดเหมือนกับ โครงข่ายที่ยึดคนไว้ไม่ให้พ้นทุกนะเจะ้าจะเปรียบเหมือนก็คือเปรียบเหมือนกับปลาที่ติดอยู่ในแหติดอยู่ในอวนนะทั้งตรงนี้ผร้เช่ายกตัวอย่างกับชาวประมงหรือลุกมือของเขาเนี่ยล้อมแหล่งน้ําน้อยๆเอาไว้ด้วยอวนตาทีนะไม่ว่าปลาที่ไหนอยู่ในนั้นเนี่ยจะผุดขึ้นที่เดียวจะผุดหลายที่อยู่ในอวนก็ยังอยู่ในอวนอยู่นั่นเอง นะซึ่งเหมือนกันคือไม่ว่าคุณจะมีความเห็นอย่างไงก็แล้วแต่เนี่ยก็ยังไม่หลุดพ้นจากเครือข่ายของอทิฐิตรงนี้ไปได้ค่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความเห็นใดๆที่ยังไม่ถูกที่ยังไม่ใช่สมาธิทิฏฐิเนี่ยก็จะยังอยู่ในเครือข่ายซึ่งมันมีลักษณะเหมือนกับตันหาต้องเอามาพูดรตรงนี้แล้วก็ความที่ ปทิฐิต่างๆที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาอย่างเช่นโรกเที่ยงหรือเปล่าโรกไม่เที่ยงตายแล้วไปไหนโรกอื่นมีไม้พวกนี้เนี่ยนะก็เป็นถูกรึงรัดด้วยอานาจของตันหาทั้งหมดมแล้วก็ความสำคัญผิดนะเป็นเหตุให้เกิดนันทิอย่างเช่นว่าถ้าเราสำคัญว่าอุยอันนี้แขนของเราอันนี้โทรศัพท์มือถือของเรานะความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเนี่ย จะเกิดความเพลินขึ้นที่ต้องมาพูดในเรื่องของตันหานี่ก็เพราะว่ามันมีสภาพของการยึดติดเข้าไปยึดถือนะเข้าไปเพลิดเพลินอยู่อย่างนี้ทีนี้พูดถึงเรื่องตันหาที่เกี่ยวกับทิฏฐิเสร็จแล้วก็ต้องมาพูดถึงเรื่องตันหาที่เกี่ยวข้องกับกิเลสกิเลสเนี่ยคือบางคนอาจจะเข้าใจว่า ก, กิเลสกับตันหาเนี่ยเป็นคนละส่วนกันจริงๆมันก็คือเป็นเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์เหมือนกันนะครับ คือที่อาจมาเคยพูดไว้ในตอนก่อนๆว่าเวลาเราอยู่ในสมาธิเนี่ยนะสมาธิจิตเราสบายสว่างเนี่ยนะในตอนนั้นกิเลสไม่มีแต่ว่ามีตัณหาอยู่คุณโยมติวจาได้ใช่ไหมค่ะ <Okay. S 1> อย่างไรก็ตามไอ้เจ้ากิเลสเนี่ยก็ถ้ามันมีมาเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุของทุกข์เหมือนกันนะค <Okay. S 1> รูชาก็ยืนยันไว้ชัดเจนว่าถ้าคุณยังมีราคะโทสะโมหะเนี่ยก็จะมีการเกิดการแก่การตายนะไปเรื่อยๆ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นในแง่ของกิเลสที่เกี่ยวข้องกับ ตันหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็จะมีลักษณะอย่างนี้ทีนี้ไอเรื่องของอกุศลมูลเนี่ยอย่างเช่นที่เราบอกว่าการผิดศีลทั้งหมดเนี่ยน ะ, ชะเช่นว่าลักทรัพย์อุผิดในกามศีลห้าใช่ไหมแล้วก็ยังมีมิจฉาทิฐิพยาบาทแล้วก็วิจิกิจามิพวกเนี้ยก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เหมือนกันนะอซึ่งเป็นแง่มุมที่ที่ดีเหมือนกันอื ทีนี้อย่างไรก็ตามพวกนี้มันจะรวมลงไปในเรื่องของตัณหาหมดไงคุณยมติวคือถ้าพระพุทธเจ้าจะบอกว่าเออกิเลสเป็นเหตุของทุกข์หรือว่าอากุศลมูลเป็นเหตุของทุกข์เนี่ยมันจะต้องพูดกันหลายรอบทีนี้เราเข้าไปถึงแก่นของตัวพวกนี้เลยนั่นก็คือตัณหาคืออุปท า, านอย่างนี้ถ้าเราสาวเข้าไปสาวเข้าไปสาวเข้าไปเนี่ยเราจะพบว่ามันมีรากงาของมันคือเจ้าตัวตัณหานี้นั่นเอง ซึ่ง <Okay. S 1> ตอนต่อไปคิดว่าจะมายกตัวอย่างของราก้าวตรงนี้ให้ดูจะได้เห็นกันชัดเจนอีกทีหนึ่งใช่ต้องทำความเข้าใจมากๆเลยเพราะว่าพวกนี้เป็นตัวร้ายทำให้ชีวิตเรามีปัญหาถูกต้องปัญหาทำให้ชีวิตมีปัญหางนี้ <c oughs> นะคะใช่แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของทุกขเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวแล้วเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนต้องค่อยๆศึกษากันไปพระศาสดา คือพระอาหารหันต์สัส ม, มาสัมพุทธเจ้านะคะก็ทรงมีจิตที่ประณีตยิ่งท่านถึงถึงได้ทรงมองเห็นในสิ่งเหล่านี้ชัดเจนวันนี้ก็นำมาสการขอบพระคุณพระอาจารย์ไผบูรณอภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนะคะน้อสการค่ ะ, คะอาจารย์ท่านฟอนคะเรากลับมาพบกันหลังจากที่หยุดพักเสาอาทิตย์กันไปนในวันจนันทร์นี้ก็หมายความว่าสี่วันที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราจะพบกันต่อไปต่อไปต่อไ ป, อไปแล้วค่อยไปหยุดกันอีกทีเสาอาทิตย์นี่เป็นเวลาแห่งการที่เราจะได้พบกับ การเข้าถึงพุทธวัจนะกันอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะเป็นระยะนะคะขอให้ติดตามรับฟังกันต่อไปเป็นการสั่งสมสุตตะซึ่งถือว่าเป็นกุศลอย่างยุ่งและเราก็หวังว่ารายการนี้จะนำพาเอาความทุกข์ที่น้อยลงให้กับท่านทุกคนได้ขออนุญาตพูดถึงเทศการทอดกะถินของทั้งสองวัดที่พระอาจารย์ได้มาร่วมจัดรายการนะคะ คือวัดแรกวัดนาปะพงลําลูกกาคลองศิที่มีท่านอาจารย์คึกฤทธิปโสธิพลโลเป็นเจ้าอาวาสและชื่อท่านได้คุ้นชินบ่อยเพราะว่าท่านมอบหนังสือพุทธวจนะให้กับเราเป็นประจําวันละสามเล่นสําหรับผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาที่0 2 2ย์สองสพร้อมทั้งเราก็ยังมีพระมารชาคาวโรนะคะซึ่งอยู่ที่วัดนาปพงนี้มานําท่านปฏิบัติธรรมในช่วงต้นกับอ่านพระสูตรให้ท่านฟัง อันนี้จะทอดกระถิ่นบังจากเทศกาลเข้าพรรษาในวันที่16ตุลาคมนะคะ16ตุลาคมเป็นวันอาทิตย์พอสัปดาห์ถัดไปคือวันที่23ตุลาของทางวัดดอนหายสโศกจังหวัดอุดรธานีที่พระพัยบุญอภิปุโนท่านได้อยู่ที่นั่นนะนะคะก็จะได้เสื่อแผ่ไปยังผู้ที่มีจิตสรัทธาแล้วก็อยากที่จะไปทาบุญในวัดที่พระคุณเจ้าซึ่งจกกัดการนี้ อยู่เนี่ยนะคะที่นี้ก็กราบเรียนให้ทราบในช่วงท้ายของรายการสำหรับวันนี้พุทวีสวัสดีค่ะ